ที่เปิดศะวันที่ทสองตุลาคมสังพันห้ารวัยห้าหวตาาปันตัดจังหวัดอุดรธานีพระพุทธเจ้าแล่สาวกทั้งหลายท่านเห็นที่สงัด ว่าเป็นสถานที่สำคัญในเพศพรนมจริยของท่านถือสถานที่เช่นนั้นเป็นที่อยู่ที่อาศัยที่ไปที่มา ในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่เป็นไปกับความสงัดทั้งนั้นมีจิตมุ่งหวังต่อความพ้นทุกโดยถ่ายเดียวไม่ได้ข้องแวะกับสิ่งใดๆท้งนั้น ซึ่งจะมาหลอกเรียงให้พระองค์เจ้าและสาวกหลงต่างสิ่งแต่ย้อมทั้งหลายไม่มีอำนาจสามารถที่จะยังพระองค์เจ้าและสาวกให้หวั่นไหวไปได้ แนวทางที่พระองค์เจ้าทรงดำเนินกนดีสาวกทั้งหลายได้ดำเนินกนดีที่เรียกว่าเป็นตัวหนึ่งผลที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทรงได้รับอันเป็น ผลประจักษ์กับพระไทยหรือกับใจของสาวกก็ได้กระจายออกมาเป็นศาสนาธรรมื่ะกาศให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเครียต่อความพ้นทุกข์ได้ทราบทั่วถึงกัน เฉพาะอย่างยิ่งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าของเราปัจจุบันนี้พอปรากฏว่าเพประทานพระธรรมไว้นับตั้งแต่วันได้ตรัสรู้จนกระทั่งถึงวันสมเด็จดับขันทพระปรินิพานมาจงกระทั่งถึงวันนี้ก็สองพันห้าร้อยปีเจ็ดสิบ ล้วนแล้วตั้งแต่ธรรมะที่ปันเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลเพื่อจะยังผู้มีความพนใจให้ดำเนินและข้ามพ้นจากทุกไปได้ตามพระองค์เจ้าแหล่สามุทั้งหลายธรรมะคำตังสอนของพระพุทธเจ้า จึงปรากฏว่าเป็นปัจจุบันทันสมัยอยู่ตลอดเดวลาสำหรับท่านผู้สนใจไม่ปรากฏว่ามีต้นมีปลายอยู่ที่ไหนในองค์แห่งทมเป็นเครื่องดำเนินที่ทรงประทานาไว้ว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปร จนถึงสัมมาสมาธิก็ปรากฏว่าเป็นมัชฌิมาดีเสมอไม่เคยละบทบาทและหนุผลที่พระองค์เจ้าได้ทรงประกาศไว้แล้วอย่างสมบูทสิ่งใดที่พระองค์ทรงตรัสเกี่ยวเนื่องถึง ทิ้งทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังปรากฏเป็นไปตามพระอาวาท์ของพระองค์เจ้าทุกทุกชิ้นไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในเป็นไปตามพระอาวาท์ที่พระองค์เจ้าทรงประกาศไว้แล้วทั้งนั้นเช่นคําที่ว่าไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังและอนัตตา ไม่เคยละความเป็นอย่างพระองค์เจ้าไปถึงความเป็นอื่นแม้แต่ชิ้นเดียวพอที่จะให้ได้ตำนิหาธรรมที่พระองค์ที่พระองค์เจ้าทรงกลับไว้แล้วว่าไม่ชอบด้วยเหตุผล ยังคําว่าอ น, นิจจังคําเดียวเท่านั้นเราทั้งหลายจะทราบทั่วทั้งโลกกาะเปแต่สิ่งที่กระเทือนถึงกันหมดนับตั้งแต่ความรู้สึกของเราออกมาสู่ส่วนนามธรรมาชั้นหนึ่งอีกเรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารยิยาออกมามาสู่ร่างกาย จนกระทั่งถึงด้านวัตถุทั่วๆั่วไปเป็นสภาพธรรมที่เกี่ยวเนื่องถึงกันโดยความเป็นอนิจจังเช่นพระองค์เจ้าตรัสไว้ทุกประกาศคำว่าทุกขังก็เช่นเดียวกันเราพูดอย่างเห็นง่ายงาย หมายถึงสัตว์ผู้มีวิญญาณกรอบไม่ต้องกล่าวถึงต้นไมผ้ผูเขาที่ไม่มีมีส่วนเกี่ยวข้องในความรู้ความหลงอันใดเราพูดเฉพาะความรู้สึกที่มีอยู่ภายในใจของสัตว์ทั่วไปว่าผู้ขัง แลียยังง่ายๆว่าความเป็นทุกข์บรรดาสัตว์ทั่วทั้งโลกกระถาบนี้ใครจะหลีกเลี่ยงจากความที่ว่าเป็นทุกข์นี้กลายเป็นสุขขึ้นมาแล้วจะได้สาบแช่งธรรมะคำต่องสอนของพระพุทธเทจ้าว่าไม่จริงนี่ไม่เคยมีในสถานที่ใดๆตลอดการบัดนี้ และจะมีไม่ได้ตลอดการไหนๆเหมือนกันสภาวะธรรมที่จะสามารถลบล้างหรือทำลายพระวาดคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงไว้ซึ่งสวัสขาตธรรมซึ่งพระองค์เจ้าได้ตรับไว้ชอบแล้ว จะกลายเป็นนิยชอบเป็นไม่มีใครอยู่สถานที่ใดๆพวกนั้นจะต้องตั้งอยู่บนจิตใจด้วยกันไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลไม่ว่าชั้นไหนๆใครจะอยู่เหนืออนิจจังทุกขังอนาตตาไปไม่ได้ อันนี้จังทุกขังอนาตานี้จะต้องอยู่เหนือจิตใจของมนัสสัต์ทั้งหลายนอกจากนั้นยังอยู่เหนือสภาวะทั่ ว, วไปอีกที่ใจได้เข้าประอาศัยเป็นเดือนร่างของตนก็าตามหรือสภาพอื่นๆก็าตามแต่พูดในสถานที่นี้พูดเพื่อให้เห็นชัด สำหรับสัตว์ผู้มีใจครองให้ได้รู้ชัดว่าไตรลักคืออนิจจังทุกขังอ น, าานัตตาณีเป็นสภาพที่มีอยู่บนจิตใจของสัตว์และมีอยู่บนร่างกายของสัตว์ทุกๆจำพวก เมื่อพระองค์เจ้าตรัสว่าตรัสว่าไม่เที่ยงสภาพใดเล่าจะเป็นของเที่ยงฝืนธรรมะของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเมื่อพระองค์ตรัสว่าเป็นทุกสภาพใดจะกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาเมื่อตรัสว่าเป็นอนัตตาสภาพใดจะกลายเป็นอัตตาขึ้นมา ให้นอกเหนือจากพระอาวาดที่พระองค์เจ้าทรงกลัดไว้แล้วอย่างตายตัวและตรัสไว้อย่างชอบด้วยไม่มีเพราะเห็นนั้นพระอาวาดคำสอนของพระองค์จึงเป็นมัชชิมาดิตลอดเสย ไม่มีที่จะเบี่ยงบายหรือจะพลาดไปจากศูนย์กลางคือความจริงเมื่อศูนย์กลางคือความจริงแล้วธรรมะที่เป็นมัธยิมาก็ตรับชอบตามหลักความจริงนั้นด้วยจึงไม่มีที่จะขัดแย้งตรงไหนได้ ในบรรดาศาสนาธรรมที่พระองค์เจ้าทรงประกาศไว้แล้วขอให้เราทั้งหลายได้พิจารณาสภาวะที่เรียกว่าไตรลักษณ์นี้นั้นไม่ใช่เป็นตัวมรรคผลนิพพานก็จริแต่เป็นสิ่งที่จะยังมรรคผลนิพพานให้เกิด สำหรับท่านผู้สนใจพินิษพิจรารณาในไตรลักษณ์นี้ให้แจมแจ้งภายในจิตใจของตนและเป็นค่าสึกสำหรับบุคคลที่ไปยึดถือไตรลักษณ์นั้นว่าเป็นตนเมื่อถือไตรลักษณ์ว่าเป็นตน สิ่งทั้งหลายไม่ว่าภายนอกไม่ว่าภายในก็จะกลายเป็นตนขึ้นมาแล้วกลายเป็นของตนขึ้นมาเมื่อตนได้เสียกสันเอาแล้วว่านี้เป็นของตนนั่นนี่เป็นตนแล้วแม้สภาวะทั้งหลายจะเป็นไปตามสภาพของเขาข้อติ เช่นอย่างสภาพทั่วไปมีความแปรยอยู่ตามสภาพของตนตลอดกาลผู้มีความมุ่งหวังในตนหรือถือสภาพเหล่านั้นว่าเป็นของตนอย่างเต็มที่แล้วก็ต้องมีความมุ่ง ที่จะกาหนดหรือปรุงแต่งสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้ได้ตามใจของตนอีกว่าให้ต้องการให้เป็นสุบ้างต้องการสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้ยืนยงถาวรบ้างดังนี้เป็นตน้นก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา เพราะเหตแห่งความโง่ของตนเองดังนั้นที่องค์สมเด็จพ ร, พระภาาูมิพลพระเจ้าท่านตรัสไว้ว่าไตรลักษณ์และให้พิจารณาไตรลักษณ์นั้นก็เพื่อจะให้เห็นแจ่มแจ้งในไตรลักษณ์นั้นว่าเป็นอย่างไรแน่แล้วจะได้หายสงสัยในไตรลักษณ์นั้นว่าเป็นเราว่าเป็นของเรา ว่าเป็นสุขว่าเป็นของเที่ยงเสียหน้าขอให้เราทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีถ้าไม่ได้พิจารณาถึงสภาวะที่กล่าวมาแล้วนี้ จนสมบูรณ์ด้วยปัญญาแนวจะปรากฏขึ้นมาเป็นพระพุทธายเจ้าและสาวกทั้งหลายให้เรากราบไหว้ไม่ได้แม้พระธรรมที่ว่าเป็นธรรมบริสุทธิก็ปรากฏขึ้นเพราะเหตุแห่งไตรลักษณ์ทั้งนั้นคำที่ว่าไตรลักษณ์นี้ได้เสื่อมสูญไปจากโลกการใดนบ้าง ธรรมช า, าตินี้ก็กลายเป็นมัตติมาอยู่เช่นเดียวกันคืออยู่ศูนย์กลางของโลกอันนี้ไตรโลกแปลว่าโลกสามไตรลักษณ์ก็อยู่ในศูนย์กลางแห่งไตรโลกสามนี้ไม่ได้อยู่ในสถานที่ใดๆซึ่งนอกไปจากโลกสามนี้ เมื่อเราพิจารณาให้ถูกตามจุดความเป็นจริงของใตรักแล้วจะมีปัญหาอะไรสำหรับเราที่จะเปรียวไปเกี่ยวข้องหรือติดมั่นผัวพันจนถึงกับเกิดความหลงในใจรักเราความที่เราทั้งหลายได้รับความทุกข์ความลำบาก หมุนเวียนเลี่ยนตัวเองอยู่ตลอดกับตลอดกันก็ไม่ทราบว่าตนเป็นโกงจักทั้งนี้เนื่องจากว่าเราไม่ทราบทักในไตรลักษ์พอที่จะปล่อยวางได้ด้วยอำนาจของปัญญานั่นเองถ้าเราถือไตรลักษ์เป็นหินลับทินิดพิจารณา ด้วยปัญญาจนชำนิชำนาญทั้งไตรลักษ์ภายนอกทั้งไตรลักษ์ภายในซึ่งมีอยู่ในกายในจิตของเราจนมีความชำนิชำนาญอย่างเต็มที่แล้วไตรลักษ์เหล่านั้นไม่ใช่ว่าจะ เป็นค่าศึกต่อเราเราสเสมอไปจึงเรียกว่าแรงรักเป็นหินรัได้โดยวิธีเราทุกทุกท่านที่ได้บวชในพระศาสนาดำเนินตามพระาวาดคำสอนของพระพุทธเจ้า จงเป็นผู้เห็นสติและปัญญาที่จะต้องพิจารณาถึงเรื่องไตรลักษ์ให้สมบูรณ์ในจิตใจของตนว่าเป็นสิ่งสาคัญที่สุดเรื่องของสติกับเรื่องของปัญญาอย่าเห็นว่าเป็นของเล็กน้อย แทจริงสติกับปัญญานี้เป็นธรรมที่จําเป็นที่สุดเช่นเดียวกับอาหารซึ่งเป็นของจําเป็นของบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั่วทั่วไปในโลกนี้สัสตว์ทั้งหลายอยู่ได้ด้วยอาหารก็ เ, รเห็นนั้นอาหารจริงเป็นของจําเป็นสําหรับสัสตว์ทั้งหลายที่จะยังชีวิตอยู่ได้ในวันหนึ่งวันหนึ่ง จนกระทั่งถึงอายุไขาหากว่าขาดอาหารแล้วซ้ายสัตว์จะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้เลยเรื่องของสติปัญญาพึงเทียบเทียงกันเช่นนี้เป็นธรรมที่จำเป็นที่สุดทั้งทางคดีโลกและทางคดีธรรมคนไม่มีสติ เขาไม่เรียกว่าคนธรรมดาเขาเรียกว่าคนบ้าทั้งนั้นถ้าสติได้ด้อยลงไปบ้างคนนั้นก็จะเริ่มขาด บ, บาทไปแล้วกลายเป็นคนสองสามถลิงไปนี่เขาเรียกว่าคนบอถ้าได้ขาดสติไปเสียจริงๆเขาก็เรียกว่าคนบ้าเต็มร้อยเปเซ็น คนที่มีสติเดินไปตามถนนคนทางพูดจาพาธีก็น่าดูทั้งกิริยามารยาทการเดินเขินไปไหนมาไหนและทำกิจการงานใดๆความเคลื่อนไหวของกายวาจาใจของบุคคลที่มีสติเป็นที่น่าดูน่าชม จับหูจับตาจับจิตจับใจแกผู้ที่ได้เห็นได้ยินแต่คนที่ขาดสติกลายเป็นคนแปลกจากโลกเขาจะอยู่ในบ้านใดสถานที่ใดก็แสดงว่าคนนั้นแปลกจากเขาที่นั้ น, น, นเรื่องของสติ ให้เราพินิจพิจารณาเทียบเทียงกันอย่างนี้เรื่องของปัญญาก็เช่นเดียวกันคนไม่ฉลาดจะทำกิจการงานใดๆไม่ว่าการทาไร้ไถนาการซื้อการขายการทำมาหาเลี้ยงชีพทุกอย่างจะไม่ทันเขาเลยแม้จะ ทำงานอยู่ทั้งวันผลที่จะพึงได้รับเรียกว่าเหตุไม่สมผลแต่คนที่มีสติด้วยคนที่มีปัญญาด้วยแล้วจะทำจิตการงานใดๆก็เป็นไปเพื่อความสมบูรณ์และเป็นไปเพื่อความสวยงามพู้จะ กิริยามนัยญาตหน้าดูหน้าชมหน้าฝังทั้งนั้นเพราะพร้อมด้วยสติและพร้อมด้วยปัญญาโลกที่อยู่ได้ด้วยความเป็นปึกแผ่นแน่หนาโลกที่เป็นไปได้ด้วยความเจริญพึงทราบว่าเป็นไปได้ด้วยสติด้วยปัญญาความเฉลียวชาตารอบคอ มีอธิบายเป็นข้อเทียบเทียงให้ฟังเพียงเท่านี้แล้วย้อนเข้ามาเรื่องสติเรื่องของปัญญาที่เราจะมาใช้ในข้อปฏิบัติทางพระศาสนาและนํามาใช้ในทางด้านความเพียรของเราภายในจิตใจโดยเฉพาะสติปัญญาไม่ใช่เป็นของเล็กน้อยพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีได้ตรัสรู้เพราะสติ กับปัญญาเป็นของสําคัญในอิทธิบาททั้งสี่เป็นทั้งทำเครื่องหนุนเป็นทั้งการทมที่แท้จริงด้วยชั้นทะาที่เรียกว่าทาเป็นเครื่องหนุนวิริยะ จิตตะทั้งสามจับว่าเป็นธรรมเครื่องหนุ่มแนทะามีความพอใจในการตั้งสติวิริยะกิตตะมีความภาคเพียรพยายามเอาใจฝักไปในการตั้งสติในการอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นปัญญานั้นเป็นองค์แห่งธรรมที่แท้จริง เรียกว่าวิมังสาผู้ที่จะทำตนให้พ้นจากทุกจะไม่บำรุงสติกับบำรุงปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วจะพ้นจากทุกไปได้ในทางไหนคนพ้นจากทุกไปไม่ได้ตามพระองค์เจ้าและสาวกไม่ได้ก็เพราะความโง่เป็นสิ่งที่ขัดขวางหรือกัน้นกลางมีไช่หรือ การจะแก้ไขความโง่เราจะเอาความโง่ไปแก้ไขความโง่มีอย่างที่ไหนประเพณีของศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆตัวไม่เคยมีเอาความโง่แก้ความโง่นอกจากจะเอาความฉลาดเข้าแก้ความโง่เท่านั้นนี่เวลานี้เราโง่อยู่เต็มตัวด้วยกัน โง่าตามชั้นไม่ใช่ว่าจะโง่เอาแบบภูเขาทั้งลูกสิ่งใดที่เรายังแก้ไขไม่ได้ยังรู้เท่าไม่ทัทนทงนั้นเราก็ต้องยอมโง่ต่อเขาแต่เราก็พยายามที่จะต้องแก้ไขความโง่นั้นจนสุดขีดความสามารถ ถึงกับว่าเราแก้ได้อย่างใจหวังของเราด้วยอำนาจแห่งสติและปัญญาของเราขอให้ท่านทั้งหลายพึงจำนึกเสมอว่าสติกับปัญญาเป็นลูกกุญแจลูกสำคัญที่สุดที่จะแก้ไขทั้งส่วนหยาบ ที่สุดส่วนกลางและส่วนละเอียดให้หมดไปเป็นาำนับสติเราจะอบรมอย่างไรจึงจะเกิดหรือสามารถแก่กล้าขึ้นได้เป็นสติที่แก่กล้าเป็นปัญญาที่รวดเร็วหรือสามารถตองอาศัยการตั้งเสมอ ตั้งได้ทุกอิยาบทยิ่งเป็นการดีชาติกับปัญญาให้เป็นเหมือนกันกับเปลียวเชือกที่ฟวันติดกันดีความสัมผัสถึงหน่อยให้มีชาติให้มีปัญญารู้รอบในสิ่งนั้น เสมอไปการพยายามตั้งสติพยายามพิจารณาด้วยปัญญาอยู่เช่นนี้จนเป็นความเคยชินต่อจิตใจของเราแล้วไม่ใช่ว่าเราจะต้องพยายามตั้งทั้งสติและปัญญาอยู่ตลอดเวลาเมื่อความเคยชินมีแล้วก็เช่นเดียวกับเราเดินตามถนนขนทาง เราจะมองดูสองฝาคทางครับหรือจะคิดเรื่องอะไรก็ตามบาดย่างเท้าของเราจะต้องก้าวไปเสมอไม่ได้หยุดแชงัดเพราะเหตุแห่งความเผลอของเราที่ไม่ได้ตั้งใจจะ ก, ก้าวเท้าหรือสาวเท้าไปนี่ก็เพราะความเคยชินของเท้าที่ได้ฝึกมาเป็นเวลานาน ตั้งแต่วันรู้จักเบี่ยงสาภาวะมาเรื่องของการตั้งสติและอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นด้วยวิธีพิจิตริจารณาบรรเลศละน้อยตั้งบรรเลกละน้อ ย, ต, อยตั้งไม่หยุดไม่ถอยก็กลายเป็นสติที่กล้าปัญญาที่รวดเร็วขึ้นในตัวของบุคคลคนเดียวนี้ การพิจารณาในสภาวะธรรมมีร่างกายของเราเป็นต้นซึ่งเป็นของมีอยู่ตลอดเวลาเหตุใดจึงไม่ได้ความความรู้คือใจนี่ก็มีอยู่ในตัวของเราสภาวะที่เราจะต้องพิจารณาก็มีอยู่เหตุใดจึงไม่รู้จึงไม่เห็น ยึงไม่ได้มีอุบายแยบภายปรากฏเป็นความแปลกพรลาดขึ้นมาในภ า, ายในจิตใจของตนเราแล้วเราจะตำหนิอะไรว่าเป็นสิ่งที่มาตัดรอนเราไม่ให้ใสมปรารถนาที่เราตั้งไว้ไม่มีอะไรนอกจากเรื่องของเราเป็น เรื่องขัดขวางตนเองเป็นเรื่องตัดนอนตนเองพูดง่ายๆก็คือความโง่ของเราความประมาทของเราความประมาทก็หมายถึงความนอนใจความโง่ก็คือความไม่สบไม่สแสวงไม่ตั้งจิตตั้งใจไม่ระวังท่าตนดีตลอดเวลา รอยให้สัญญาอารมณ์ซึ่งเคยสัมผัสเกี่ยวข้องกับจิตใจของตนให้กระทบกระเทือนใจอยู่ทั้งวันทั้งคืนใจนั้นจึงกลายเป็นลูกฟุตบอลให้เพรีดตอาสวะหรือสินแวดล้อมเตะทั้งวันทั้งคืนกลิ้งไปกลิ้งมาหาที่เข้าที่ออกไม่ได้ ผลที่สุดระมาร้อนนุมอยู่ภายในจิตใจของตนท่านั้นผลที่ปรากฏขึ้นเช่นนี้จะตำหนิอะไรพอเราปล่อยช่องปล่อยทางให้สิ่งแวดล้อมทั้งหลายผ่านเข้ามาและเปิดช่องเปิดทางภายในของตนรับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นตลอดทั้งวันทั้งคืน ตลอดอิริยาบทด้วยแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นกับความรู้ภายในใจจะไม่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องหรือแสดงเหตุอันให้เราได้รับความเดือดร้อนได้อย่างไรแล้วสิ่งที่จะมากาักา้นกลางตัวข้าศึก ไม่ให้มาเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันได้แก่สติกับปัญญาเราปล่อยทิ้งไว้ที่ไหนก็ไม่ขาด เ, เมื่อเป็นเช่นนี้การยืนการเดินการนั่งการนอนก็เพื่อเป็นภาชนะสำหรับรับรองที่เดสอาสวะ ซึ่งเป็นค่าสึทิทั้งวันทั้งคืนเราจะหาความสลาดที่ไหนมาเป็นเครื่องที่จะพยุงเราให้พ้นจากทุกข์ไปได้นอกจากเราสั่งสมเครื่องกดทวงจิตใจของลงของเราลงให้ต่ำเป็นลำดับไปเท่า น, านั้นแล้วเราจะตำหนิอะไร ว่าเป็นผู้กั้นกลาหง ห, หวงห้ามความประสงค์ของเราปัญหาข้อนี้ขึ้นอยู่กับเราเท่านั้นเราจะพยายามหาอุบายแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้โดยวิธีใดต้องสังเกตความเพียรของตนถ้าไม่สังเกต ความเพียนของตนพพ ก, กขุะที่เคลื่อนไหวแล้วอย่างไรเราก็ต้องเป็นภาชนะสำหรับรับรองมูดคูดคือกิเลสอยู่เลย ด, ด, ด, ดีไม่เพียงแต่ผ่านมาแล้วถึงวันนี้ยังจะเป็นภาชนะแห่งมูดคูด คือกิเลสทั้งหลายเหล่านี้เป็นลำดับไปอีกตลอดวันตายขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้ความเพียรหมายสติหมายปัญญาห้มีความติดต่อกับประโยคพยายามของตนเสมอไป เราไม่ต้องไปเป็นกังวลกับอดีตอนาคตรหรือกับผู้ใดทั้งนั้นให้นอกเหนือไปจากความกังวลที่เราจะพยายามแก้ไขสิ่งที่เป็นท่าศิษย์ภายในจิตใจของเราด้วยสติกับปัญญาเท่านั้นผู้ที่เป็นอย่างนี้อย่างไรก็จะต้องเป็นไปเพื่อความสงบ ตั้งแต่ต้นจนถึงความสงบขั้นละเอียดที่สุดและจะเป็นไปเพว่ความียบคายคือความรอบครอบด้วยปัญญาติดตามความเคลื่อนไหวของตนซึ่งเกิดขึ้นในณทางภายในทุกเรียาการได้โดยไม่ต้องสงสัย ถ้าพ้นไปจากเรื่องของสติกับเรื่องของปัญญาเป็นธรรมประกันแล้วใครจะว่าวิเศษเลิศโลกเพราะทำอย่างใดก็ตามผลจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้เพราะหลักของเหตุที่สำคัญคือเรื่องของสติกับปัญญาไม่นำมาใช้ เราจะทราบได้ใกล้ๆเมื่อเราได้รับความทุกข์จะแม่แต่น้อยก็ตามซึ่งเกิดขึ้นมาจากเหตุแห่งทุกข์ที่เรียกว่าส ม, มุทัยนั้นจะเกิดขึ้นมาเพราะขณะที่เราเผลอเป็นของสำคัญและขณะที่เรารู้ไม่รอบไม่สามารถจะพิจารณาแก้ไขอารมณ์นั้น ให้ขาดไปได้ด้วยอุบายของเอาถ้าเรามีสติหรือมีปัญญาเพียงพอกับธาศึกประเภทนั้นแล้วธาศึกประเภทนั้นจะตั้งอยู่ที่หัวใจของเรานานไม่ได้นี่เพียงเท่านี้เราก็พอทราบในเรื่องธรรมส่วนอื่นซึ่งมีจนวนมากอันเราจะต้องค่อยๆปฏิบัติไปให้ถึงขีดถึงแหนแต่ควรจับ เงื่อนแห่งธรรมที่กล่าวมานี้ไว้เป็นสักขีพยานหรือเป็นข้อเทียบเขียงของเราในการต่อไปท่านผู้ใดเป็นผู้สนใจใครต่อการตั้งสติพินิษพิจารณาด้วยปัญญาแม้จะในสกลากายนี้หรือจะเรื่องภายนอกก็ตาม อย่างไรก็ต้องได้อุบายขึ้นเพราะความได้เห็นได้ยินขึ้นเพราะการพิจารณาภายในของเราโดยเฉพาะเรื่องสติก็จะมีความสาคัญขึ้นเป็นลำดับเรื่องของปัญญาก็จะมีความเฉลียวฉนาดทันกับเหตุการณ์ทั้งภายนอกภายในขึ้นเป็นลำดับเช่นเดียวกัน ขอให้เป็นผู้ประหนักในเรื่องของสติกับเรื่องของปัญญาและพยายามนำเอาอิทธิบาททั้งสี่มาเป็นเครื่องสนับสนุนและเป็นองค์แห่งธรรมด้วยคือฉันทาวิริยะจิตตะเป็นเครื่องสนับสนุนองค์แห่งความเปลี่ยนของเราเสมอ การเกิดตายซ้ำๆ้ำักซะจนไม่สามารถจะนับปาช้าของเราคนเดียวได้นี่ไม่น่าขยัขยแยงบ้างเลยชาตินี้ก็แน่แล้วว่าเราจะต้องตายตายที่ไหนก็ต้องเป็นป่าช้าของเราที่นั้นชาตินี้กับชาติหน้าวันนี้กับวันหน้า ไม่มีระยะห่างไกลกันเลยติดแนบอยู่กับคนคนเดียวนี้และเรายังจะยอมตายอยู่อีกเกิดอีกตั้งกับตั้งกันจากบุคคลคนเดียวคือเรานี้เราจะเห็นว่าเป็นของประเสริฐหรือญาติจะเห็นว่าเป็นของที่น่าละอายสำหรับเราคนเดียวหมุนเกิดหมุนตายหมุนทุกยากลำบากอยู่เช่นนี้ ขอให้พากันพิจารณาถ้าอยากจะพ้นจากความเป็นอย่างนี้แล้วจงเป็นผู้เห็นความสำคัญเรื่องของสติเรื่องของปัญญาประกอบองค์เห็นความเปลี่ยนของตนเสมอไปในอินีาบทของตนอย่าให้ขาดว่าขาดตอ่อท่านตั้งหลายจากคว้าชัยชนะคือความตัดขาดจากความเป็นคงจัก ตนคือตนของตนเป็นผู้หมุนเยันตนเองได้ในวันหนึ่งแน่ๆจะกลายเป็นของเที่ยงขึ้นมาในธรรมชาติที่เคยหมุนเย็นนี้โดยไม่ต้องสงสัยเราดูตัวของเรานี้ก็พอจะเป็นสักษีพยานอย่างเต็มใจแล้วในเรื่องความผิดตาย การจำได้หรือไม่ได้นั้นไม่เป็นการที่จะมาลบล้างความหมุนเยนของเราได้และความทุกข์ความทรมานซึ่งเราเคยเกิดเคยตายเคยลำบากมาไม่รู้กิกัดกีกครั้ไม่มีอันใดที่จะมาลบล้างสภาพนี้ได้เราจะจำได้หรือไม่ได้ไม่เป็นของสำคัญถ้าเราไม่สามารถแก้ตัวของเราได้ด้วยสติปัญญา มันถอดถอนจิตใจของเราให้พ้นจากวงแห่งกองจักรคืออวิชานี้ได้เสียเมื่อไรเราต้องเป็นตัวอวิชาหมุนเกิดหมุนตายอยู่เช่นที่เราเห็นอยู่นี้นนเราเห็นอยู่น้ำบัดนี้ถ้าหมึไปเราลองคิดดูสิว่าเมื่อวานนี้กับวันนี้และกับวันพรุ่งนี้ห่างไกลกันที่ไหน มืดกับแจ้งไม่ใช่เป็นของห่างกัน ห, ห่างไกลกันความสว่างกับความมืดอยู่ในฉากเดียวกันเช่นยังขนาดนี้เรามีความสว่างด้วยดวงไฟดับไปลงไปเท่านั้นความมืดก็ปรากฏขึ้นสถานที่ที่สว่างนี้อืม รัตนะความเป็นกับความตายของเราก็อยู่ในคนคนเดียวความทุกข์ความลำบากทุกๆอย่างซึ่งเป็นกิ่งก้านสาขาออกมาจากความเกิดนี้ก็อยู่ในที่แห่งเดียวเช่นเดียวกับต้นไม้ที่มีกิ่งก้านสาขาจะมากน้อยเท่าไรก็เกิดขึ้นจากต้นไม้ต้นเดียวนั้นไม่ได้อยู่ห่างไกลกันขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณา ดูในตัวของเราเป็นสักขีพยานกับหัวใจของเราความสุขขนาดที่เป็ดเที่ยวเล่นอยู่ตามใต้ถุนบ้านถุนเรือนเป็ดก็เห็นว่าดีน้ำตะครอ ง, รองที่มีดีที่ไหนน้ำตามถนนค้นถงัง เด็กเขาเล่นเขาก็ว่าเขาสนุกดีเด็กเขาเล่นน้ากลางบ้านเขาก็ว่าเขาสนุกดีแต่เมื่อเขาโตขึ้นมาเขาก็จะรู้โทษของเขาว่าในภาวะความเป็นเด็กเขามีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็เห็นโทษของตนในความเป็นเด็กและเห็นความโง่ของตนในคราวเป็นเกถ <H it> คาอยู่ที่ไหนก็ว่าตนเป็นสุขตามฐานะของตน เช่นอย่างปลาซึ่งอยู่ในแม่น้ำเล็กๆใต้น้อยเขาก็ว่าเขาเป็นสุขเป็ดเล่นน้ำอยู่ใต้ถุนบ้านถุนเดือนเขาก็ว่าเขาเป็นสุกนี้ลองไปถามปลาในมหาสมุทรดูทีว่าเขาจะมีความสุขแค่ไหน น, น, นี่ความสุขมีหลายชั้นความสุขที่เป็นเหตุให้เราติดติดติดใจอยู่ทุกวันนี้ ก็เป็นความสุขในลักษณะที่กล่าวมานี้ทั้งนั้นไม่ใช่ความสุขในมหาสมุทรทะเลความสุขในมหาสมุทรทะเลนั้นเทียบเข้ามาว่านิดพานนางปรามังสุขขังเป็นความสุขที่นอกจากมหาสมุทรนอกจากมหานิยมใดๆทั้งนั้น ปรากฏขึ้นภายในจิตใจเพราะอํานาจแห่งความเพียรไม่หยุดยั้ยงเพราะอํานาจแห่งความเห็นโทษแห่งความเกิดตายของตนเพราะอํานาจแห่งความเห็นโทษในความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจของตนนี่เป็นความสุขที่เทียบกันกับว่าเป็นความสุขในมหาสมุทร แต่ความสุขภายในใจนี้กลายเป็นความสุขนอกจากมหาสมุตินอกจากมหานิยมกลายเป็นความสุขในมุดใปเดียคคำว่าวิมุติอย่าพึงทราบว่าเป็นโลกหนึ่งจากสมุติใดๆเป็นชื่อแห่งสภาวะอันหนึ่งเท่านั้นถ้าไม่มีชื่อมีนาม โลกมีสมมติธรรมชาตินั้นจะไม่มีสมมติไม่ได้ต้องตั้งชื่อตั้งนามให้มีสมมติเพื่อจะให้เป็นคู่เคียง ก, กันกับสมมตินั้นๆและเป็นกลุยเป็นหมายให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้ปฏิบัติเพื่อทำสมมตินั้นจะได้มีแก่จิตแก่ใจของตนเอง จนกว่าจะไปปรากฏตัวขึ้นในแดนแห่งวิมุตนั่นเสียเมื่อใดแล้วคำว่าวิมุตนั่นก็หมดปัญหากับท่านผู้นั้นทันทีแดนแห่งวิมุตนี้ไม่ใช่แดนแห่งการเย็นเกิดเย็นตายไม่ใช่แดนแห่งความทุกข์ความทรมานซ้ำซ้ำซักซา มุนไปเปลี่ยนมาเหมือนอย่างแดนที่พวกเราทั้งหลายอยู่นะับบัดนี้เราบวชมาในพระศาสนาเป็นผู้มุ่งต่อแดนแห่งความหลุดพ้นนั่นแหล่จงเป็นผู้มีความอาฐานหน้าเลิต่อความภาคความเพีย่ยน ความตั้งสติความพิจนารณาด้วทางปัญญาถือกายอันเป็นรากเหงา้าหรืออันเป็นเรือนแห่งสติปัฏฐานธรรมทั้งสิน้นไว้ให้แนบสนิทกับสติและปัญญาของตนความเพียรให้เดินไปตามแถลงแห่งกายเวทนาจิตธรรมนี้กายทุกชิ้นที่มีอยู่ในร่างกายของเหล่านี้เรียกว่ากาย เหตนาทุขทุกเฉยที่เป็นภายในทางกายและเป็นภายในทางใจเรียกว่าเหตนาจิตคือกระแสของใจที่คิดไปเกี่ยวข้องกับสภาวะทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าจิตธรรมคือสิ่งที่ถูกธรรมชาติอันนี้เกี่ยวข้องหรือธรรมชาติที่ถูกจิตเพ่งเรียกว่าธรรม จะเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเรียกว่าธรรมทั้งนั้นเมื่อเราได้ตั้งจิตตั้งสติตั้งปัญญาลงที่กาเวทนาจิตธรรมนี้แล้วเราจะได้เห็นอุบายแตกๆปกึ่งปรากฏขึ้นในขณะที่เรามีความเพียรสัมพันเกี่ยวเนื่องอยู่กับ ือกายเวทนาจิตธรรมนี้เป็นลำดับไปเมื่อสติกับปัญญาของเรามีความสามารถแกกล้าในการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมนี้แล้วก็สามารถที่จะปล่อยวางซึ่งกายและเวทนาจิตหรือธรรมนี้ได้หรือรู้เท่าในสภาวะทั้งสีนี้ได้ กลายเป็นความมืิสุดขึ้นมาจากตนเอกแล้วเราจะไปหาแดนแห่งวิมุติที่ไหนเมื่อได้รอบในสติปัฏฐานสี่เท่านั้นโดยทางปัญญาคำว่าวิมุติพระนิพพานเราจะไปหาสร้างเป็นบ้านเป็นเดือนที่ไหน เพิ่งทราบว่าวผลทั้งหมดจะต้องเกิดขึ้นมาจากเหตุแดนแห่งเหตุไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดได้เลยแดนแห่งเหตุในแก่การพิจารณากายเวทนาจิตธรรมจนแจ้งชัดจะว่าอนิจจังก็ให้ชัดทุกขางอนัตตาให้ชัดด้วยปัญญาทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นไตรลักษณ์ใดเรื่องการพิจารณากายกับเวทนาจิตธรรม เป็นธรรมสำัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไม่ใช่ว่าเป็นธรรมที่เราจะต้องหยิบไปนน้นวางอันนี้แล้วจับโน้นสภาวะธรรมทั้งสี่นี้เป็นธรรมที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปกําหนดเข้าสู่กายเวทนาก็อยู่ในสถานที่นั้นทั้งที่เป็นจิตเวทนาและกายเวทนา ทำก็เช่นเดียวกันมีอยู่ในสถานที่นี้หมดขอแต่ให้ตั้งสติลงในจุดนี้เท่านั้นเรื่องอำนาจของสติอำนาจของปัญญาที่จะปรากฏเป็นลำดับให้เป็นกําลังของเราผู้พิจนารณานั้นเราไม่ต้องสงสัย ให้พากันสนใจถือหลักธรรมคือสติปัฏฐานทั้งสีเป็นหลักประจำใจของตนยาได้ลดละํามาดแดนแห่งยมุตินั้นจะไม่ได้ถามที่ไหนจะเป็นธรรมที่ปรากฏขึ้นจากใจที่รู้รอบในสภาวะธรรมทั้งสี่ชีว ปฏิปทานสีนี้โดยรำพังตงนเองมีเรียกว่าครับพูดถึงเรื่องความสุขก็เป็นความสุขในมุตดซึ่งนอกไปจากแดนสมมุติใดๆถ้าจะเทียบในบุคคลคนเดียวก็เทียบเหมือนอย่างคราวที่เราเป็นเด็ก เรามีความรู้สึกอย่างวิธียามายาิการไปการมาการพูดการจาการทำกิจการงานอดไก็ตามในความเป็นเด็กกับความเป็นผู้ใหญ่ของบุคคลคนเดียวนะั้นมีรักษนักต่างกันอย่างไรทีนี้เมื่อเราจะเทียบถึงเรื่องความสุกความโง่ความเล้าหซึ่งเคยเป็นมาของเรากลับมาถึงขั้นที่ว่านี้แล้ว เราก็จะได้พิจรารณาเห็นความโง่ของเราเป็นลำดับลำดับมาเช่นเดียวกับคนคนเดียวเห็นโทษในความเป็นเด็กของตนแค่นั้นามาสวาคาตธรรมที่พระองค์เจ้ากลัดไว้ชอบแล้วนั้นคอยนำมาปฏิบัติให้ชอบ ตามพระวอวาเท่านั้นผลที่ชอบธรรมจะปรากฏขึ้นในเราทั้งหลายอีความรู้ความหลุดพ้นที่ชอบธรรมข้อจะจะปรากฏขึ้นในสถานที่นี้อีกเช่นเดียวกันอยู่ที่ไหนขอให้มีสติท่านทั้งหลายอย่าเห็นอันใดว่าเป็นของสําคัญยิ่งกว่าเรื่องของสติที่สัมพันธ์กับความเพียร วันย่างค่าคืนย่างรุ่งให้จิตกับสติและปัญญาติดกันอย่างแนบสนิเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ต้องไปคาดหมาอันนั้นเป็นผลซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุที่เราประกอบไว้ดีแล้ว สติของพระพุธทธเจ้ากับสาวกเป็นสติเช่นไรและเป็นปัญญาเช่นไรจึงสามารถแก้พระองค์จนหลุดพ้นไปได้กลายเป็นศาสดาของพวกเราสติกับปัญญาของเราทำไมจึงกลายเป็นค่าศิกแก่ตนใท่ความเป็นทั้งนี้ไม่ใช่สติกับปัญญาเป็นค่าศิกต่อตน แต่เป็นเรื่องของความประมาทหรือความโง่เป็นค่าสิทธ์ต่อตอนเองดอีตลอดเวลาขอให้ทราบเสียว่าความโง่ความโทษแท้ความอ่อนแอเหล่านี้เกิดขึ้นจากลักษณะของความโง่ทั้งนั้นหรือเป็นลักษณะของความโง่ทั้งนั้นลองตั้งลองดู สติตั้งลงไปที่กายปัญญาตั้งลงไปที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมเราจะมีความรู้สึกอย่างไรเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าทรงตั้งรัตติเพื่อปัญญาลงที่พระกายของพระองค์ปรากฏเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาสาวกก็กลายเป็นสาวกขึ้นมาอย่างบริสุทธิ์ เหตุใดสภาวม่เหล่านี้จะกลายเป็นโมฆะสำหรับพวกเรามีอย่างเลยกำหนดให้พอพิจารณาให้พอแม้แต่เรารับทานเราก็เห็นอยู่ด้วยตาของเราเรารับทานเข้ามุขะภาวเหตุใดจึงไม่อิ่มเพียงคำเดียวเท่านั้นนี่ก็คือว่ายังไม่พอ ก็อิ่มขึ้นมาไม่ได้มีเรื่องความเพียรที่เราตั้งนั้นก็เป็นการถูกต้องปัญญาที่เราคิดก็เป็นการถูกต้องเหมือนกันแต่เมื่อยังไม่พอแล้วผลที่เด่นชัดก็ปรากฏขึ้นมายังไม่ได้แต่เมื่อสติกับปัญญาประกอบกับองค์แห่งความเพียนจนเพียงพอแล้วผลที่จะปรากฏขึ้นเป็นเงาเตรียมตัวเตรียมตัวนั้นก็ต้องเด่นชัดประจักษ์กับหัวใจหัวใจของเราได้เช่นเดียวกัน ถ้าเราไม่สามารถจะรื้อฟื้นเราให้พ้นจากทุกข์ได้แล้วในชาตินี้เราจะไปมอบให้ชาติไหนเป็นผู้รื้อฟื้นแล้วเราจะไปมอบให้ใครเป็นผู้รื้อฟื้นให้เราถ้าเราไม่สามารถแก้จีเรียดอยู่ภายในหัวใจของเราซึ่งประจักษ์อยู่กับใจในขณะหรือทุกๆขณะนี้แล้วเราจะให้มอบให้เป็นภาระของใครเป็นผู้รื้อฟื้น พระพุทเจ้าแล้วสาวกใครเป็นผู้รื้อพื้นให้พระองค์ท่าน อ, อัตตาหิอัตโนนาโถก็หมายถึงอย่างนี้เองวันนี้เราก็ทุกวันหน้าเราก็ทุกวันนี้เราก็เป็นเจ้ากิเลสวันหน้าก็เป็นเจ้ากิเลสทั่ทวหัวแล้วใครจะมาถอนตูของเราพ้นจากโสภาวันหรือสิ่งเหล่านี้ได้นอกจากเราคนเดียวเท่านั้นจงเป็นผู้ตั้งความอาฆาตหน้าเลย ต่อสู้กับข้าศึกซึ่งตนของตนเป็นผู้สั่งสมขึ้นเองด้วยความภาคความเพียรด้วยสติปัญญาให้พินาฏไปเองด้วยการถอดถอนของเราหรือด้วยการทําลายของเราเพราะการสั่งสมสิ่งเหล่านี้ขึ้นเราเป็นองค์การสั่งสมขึ้นมาเองและเราจะเป็นองค์การแก้ไขหรือดัดแปลงหรือทําลายเอง ใครๆจะมาทำให้เราไม่ได้จงถือว่าเรื่องทั้งหมดซึ่งมีอยู่กับตัวของเรานี้ทั้งเป็นฝ่ายดีและฝ่ายชั่วเป็นเรื่องของเราคนเดียวพูดสั่งสมขึ้นมาเราต้องฝูกจิตใจของเราเสมอถ้าเราจะปล่อยตามความทอดแท้อ่อนแอท้ายทิ้งเปล่า วันไหนก็วันนั้นชาติไหนก็ชาตินั้นคือคนผู้นี้เองไอ้ตัวขี้เกียจขี้คร้านนี่เองเป็นผู้สังหารเราอยู่ตลอดเวลาและเป็นผู้ที่ทำเราให้เนิ่นช้าเป็นผู้ทำเราให้ลุ่มหลงเป็นผู้ทำเราให้แบกกองทุกข์อยู่ตลอดกับตลอดกันไม่มีเวลาหลุดพ้นไปได้เพราะฉะนั้นจงน้อมเอาความเพียรเข้ามา เป็นเครื่องแก้ไขพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ได้ด้วยความเปลี่ยนอะไรจะมีราคายิ่งกว่าตัวของเราเราไม่รักเราเราไม่สงวนเราเราไม่รื้อฟื้นเราแล้วจะให้ใครมารื้อฟื้นเรามาหาความกุกอันสมบูรณ์ให้เรา เราจะมอบให้เป็นหน้าที่ของใครหามาเพื่อเราถ้าวันนี้เป็นอย่างนี้วันหน้าก็ต้องเป็นอย่างนี้นอกจากเราจะพยายามปรับปรุงเราอยู่ตลอดเวลาด้วยตัวของเราเองทั้งวันนี้และวันหน้าเราก็จะกลายเป็นคนใหม่ขึ้นมาในบุคคลผู้เดียวนั้น กลายเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดขึ้นมาจากความง่ของเราจงพยายามดัดแปลงตนเองทั้งวันทั้งคืนอย่าระเป็นสัญญาอารมณ์กับสิ่งใดๆให้นอกเหนือไปจากการสนใจในความเคลื่อนไหวแห่งจิดใจของตนที่แสดงอยู่ตลอดเวลา ด้วยสติกับปัญญาของเราเราจะได้เห็นแห่งแดนหลุดผลจากองค์สมเด็จพระภูมิพระภาพเจ้าและพระสาวกทั้งหลายวันนี้ได้แสดงธรรมให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้ ง, งนับตั้งแต่สถานที่ที่คือองค์เจ้าทรงประทับอยู่แลประกอบความภลาดความเพียน จนกระทั่งถึงได้ตรัสรู้มาเป็นศาสตร า, าของเราเป็นเยี่ยงอย่างอันดีและทรงได้รับผลเป็นที่พรมพอใจได้นําธรรมะคือผลที่ได้ทรงได้รับนั้นมาประกาศให้พวกเราทั้งหลายได้ดําเนินตามจงดําเนินตามด้วยความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายามความขยันมันเพียงความกระหายหน้าดื่ จะนำตัวที่เกลียดที่ร่างเข้าไปเป็นศาสดาแทนพระองค์เจ้าจะกลายเป็นเทวทัตขึ้นมาที่หัวใจดวงนั้นจงนำศาสตราที่แท้จริงคือพระโอวาทคำสอนคำมัพโพติจักเข้ามาประดิษฐานไว้ที่จิตใจของตนตลอดเวลาอย่าเห็นใครว่ายิ่งกว่าศาสดาคือพระโอวาทที่พระองค์เจ้าทรงแสดงไว้แล้วโดยชอบธรรม เราตั้งหนา ก, ก็จะได้ประสบพบเห็นเึงความสุขความเจริในวันหนึ่งแน่ๆนโดยไม่ต้องสงสัยจึงขอยึดติดธรรมเทศนาเพียงเท่านี้